มาตุคามสั่งยุต์ว่าด้วยมาตุคามหรือผู้หญิงภิกษุทั้งหลายมาตุคามประกอบด้วยองค์ห้ายอมไม่น่าพอใจอย่างยิ่งสำหรับบุรุษองค์ห้าอะไรบ้างคือรูปไม่สวยไม่มีโภคสมบัติไม่มีศีลเกียรติครานให้บุตรแก่เขาไม่ได้ ส่วนมาตุคามประกอบด้วยองค์ห้ายอมน่าพอใจอย่างยิ่งสำหรับบุรุตคือรูปสวยมีโภคสมบัติมีศีลไม่เกียจคร้านให้บุตรแก่เขาได้ว่าด้วยบุรุษที่ไม่น่าพอใจและน่าพอใจของมาตุคามบุรุษประกอบด้วยองค์ห้ายอมไม่น่าพอใจอย่างยิ่งสำหรับมาตุคาม คือรูปไม่หลอ่อไม่มีโภคสมบัติไม่มีศีลเกียรคร้านให้บุตรแก่เธอไม่ได้ส่วนบุรุษผู้ประกอบด้วยองค์ห้ายอมหน้าพอใจอย่างยิ่งสำหรับมาตุกคามคือรูปหลอ่อมีโภคสมบัติมีศีลขยันไม่เกียรคร้านให้บุตรแกเธอได้ ว่าด้วยความทุกส่วนตัวของมาตุคามภิกษุทั้งหลายความทุกส่วนตัวของมาตุคามห้าประการนี้ที่มาตุคามจะได้รับแต่บุรุษไม่ได้รับความทุกส่วนตัวห้าประการอะไรบ้างคือมาตุคามในโลกนี้ยังวัยรุ่นไปสู่ตรกูลสามีห่างจากหมู่ญาติ นี้เป็นความทุกข์ส่วนตัวของมาตุคามข้อที่หนึ่งอีกอย่างหนึ่งมาตุคา ม, มีระดูมาตุคา ม, มีคันมาตุคามคลอดบุตรมาตุคามบำเรอบุรุษนี้เป็นความทุกข์ส่วนตัวของมาตุคามที่มาตุคามจะได้รับยกเว้นบุรุษว่าด้วยธรรมะสามประการ มาตุคามประกอบด้วยธรรมะสามประการโดยมากหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในอบายทุกติวินิบาตนรกธรรมะสามประการอะไรบ้างคือมาตุคามในโลกนี้ในเวลาเช้าถูกมนทินคือความตจรหนีกลุ่มรุมจิตอยู่กรองเรือนในเวลาเที่ยงถูกความริษยากลุ่มรุมจิตอยู่กรองเรือน ในเวลาเย็นถูกการมราคะกลุ่มรุมจิตอยู่กรองเรือนมาตุคามประกอบด้วยธรรมสามประการ น, นี้แหละโดยมากหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในอบายทุขติวินิบาตนรกว่าด้วยมาตุคามผู้มักโกรธครั้งนั้นท่านพระอรุทธา ข้าวเฝ้ากราบทูลถามดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระทานวโรกาสด้วยตาทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์ข้าพระองค์เห็นตมาตุกคามโดยมากหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในอบายทุกติวินิบาตนรกข้าแต่พระองค์ผู้เจริญมาตุคามประกอบด้วยธรรมะเท่าไรหนอหลังจากตายแล้วจึงไปเกิดในอบายทุกติวินิบาตนรก ทรงตอบว่ามาตุคามประกอบด้วยธรรมห้าประการคือไม่มีศรัทธาไม่มีหิหริความละอายบาปไม่มีโอตปะความกลัวบาปมักโกรธและมีปัญญาสามมาตุคามประกอบด้วยธรรมห้าประการ น, นี้แหลหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในอบายทุกติวินิบาตนรกอีกประการหนึ่ง คือไม่มีศรัทธาไม่มีฮิริโอตปะมักผู้โกรธมีปัญญาสามอีกประการหนึ่งไม่มีศรัทธาไม่มีฮิริโอตปะมักริษยามีปัญญาสามอีกประการหนึ่งไม่มีศรัทธาไม่มีฮิริโอตปะมัตรณีมีปัญญาสามอีกประการหนึ่งไม่มีศรัทธาไม่มีฮิริโอตปะ มกประพฤิ น, นอกใจมีปัญญาสามอีกประการหนึ่งไม่มีศรัทธาไม่มีฮิริโอต ป, ปะทุศีลมีปัญญาสามอีกประการหนึ่งไม่มีศรัทธาไม่มีฮิริไม่มีโอต ป, ปะมีการฟังน้อยมีปัญญาสามและโดยนัยเดียวกันเกียรติคร้าน มีสติหลงลืมพูดเท็จหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในอบายทุกติวินิบาตนรกท่านพระอนุรุท ธ, ธเข้าเฝ้ากราบทูลว่าด้วยตาทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์ข้าพระองค์เห็นแต่มาตุคามโดยมากหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในสุกติโลกสวรรค์มาตุคามนั้นประกอบด้วยธรรมะเท่าไหร่ หลังจากตายแล้วจึงไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์พระผู้มีพระภาคตรัสว่ามาตุคามประกอบด้วยธรรมห้าประการ น, นี้คือมีศรัทธามีฮิริโอตัปปะไม่โกรธมีปัญญาและด้วยนัยเดียวกันมีศรัทธามีฮิริมีโอตัปปะไม่ผูกโกรธไม่ริสยา ไม่ตรณีไม่ประพฤตินอกใจมีศีลมีการฟังมากปรารบความเพียรมีสติมั่นคงหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์สำหรับข้อนี้พระผู้มีพระภาคทรงตรัสสี่ข้อเหมือนกันทั้งหมดคือมีศรัทธามีฮิริโอตปักและมีปัญญา โดยเปลี่ยนข้อที่สี่ของแต่ละกลุ่มเท่านั้นนะครับจึงรวมเป็นแต่ละชุดชุดละห้าประการดังที่กล่าวมาแล้วนั้นว่าด้วยมาตุคามผู้มีศีลห้าอนุรุท ธ, ธะมาตุคามประกอบด้วยธรรมะห้าประการหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ ธรรมะหประการนั้นคือเว้นขาดจากการฆ่าสัตว์เว้นขาดจากการลักทรัพย์เว้นขาดจากการประพฤติผิดในการมการพูดเท็จการเสพของมึนเมาคือสุราและเมรยัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาทมาตุคามประกอบด้วยธรรมะห้าประการ น, นี้แลหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ ว่าด้วยมาตุคามผู้กแกล้วกล้าภิกษุทั้งหลายกําลังของมาตุคามห้าประการได้แก่กําลังคือรูปกําลังคือทรัพย์กาลังคือญาติกาลังคือบุตรกําลังคือศีลมาตุคามประกอบด้วยกําลังห้าประการนี้แหลยยอมกแกล้วกล้าอยู่ครองเรือน ว่าด้วยมาตุคามที่ครอบงำสามีมาตุคามประกอบด้วยกำลังห้าประการได้แก่กำลังคือรูปกำลังคือทรัพย์กำลังคือญาติกำลังคือบุตรกำลังคือศีลมาตุคามประกอบด้วยกำลังห้าประการนี้แหละย่อมครอบงำสามีอยู่กรองเรือนย่อมกรองใจสามี ว่าด้วยกําลังที่เป็นเอกภิกษุทั้งหลายบุรุษประกอบด้วยกําลังที่เป็นเอกย่อมกรองใจมาตุกคามได้กําลังที่เป็นเอกคืออะไรคือกําลังคือความเป็นใหญ่มาตุคามถูกกําลังคือความเป็นใหญ่ครอบงําแล้วกําลังรูปก็ต้านทานไม่ได้กําลังทรัพย์ก็ต้านทานไม่ได้ กำลังญาติก็ต้านทานไม่ได้กำลังบุตรกำลังศีลก็ต้านทานไม่ได้ว่าโดยองค์ประกอบของมาตุคามกำลังของมาตุคามห้าประการคือรูปซับญาติบุตรและศีลมาตุคามประกอบด้วยกำลังคือรูปแต่ไม่ประกอบด้วยกำลังคือซับ มาตุกคามนั้นชื่อว่ายังไม่บริบูรณ์ด้วยองค์ประกอบนั้นอย่างนี้แต่เมื่อมาตุคามประกอบด้วยกําลังรูปและกําลังสัพท์มาตุคามนั้นชื่อว่าบริบูรณ์ด้วยองค์ประกอบนั้นอย่างนี้และโดยในยะเดียวกันกําลังทั้งห้าของมาตุคามนั้นถ้าขาดข้อใดข้อหนึ่งไปก็ไม่ชื่อว่าเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยองค์ประกอบนั้นอย่างนี้ กำลังของมาตุคามคือรูปทรัพย์ญาติบุตรและศีลกำลังของมาตุคามห้าประการ น, นี้แหลว่าด้วยมาตุคามที่จะถูกญาติทําให้พินาศมาตุคามประกอบด้วยกําลังคือรูปแต่ไม่ประกอบด้วยกําลังคือศีล พวกญาติยอมให้มาตุคามนั้นพินาศไปคือไม่ให้อยู่ในตระกูลมาตุคามประกอบด้วยรูปและทรัพย์แต่ไม่ประกอบด้วยศีลพวกญาติก็ยอมให้มาตุคามนั้นพินาศไปคือไม่ให้อยู่ในตระกูลมาตุคามประกอบด้วยรูปทรัพย์ญาติแต่ไม่ประกอบด้วยกำลังคือศีลพวกญาติยอมให้มาตุคามนั้นพินาศไป คือไม่ให้อยู่ในตระกูลมาตุกขามประกอบด้วยกำลังคือรูปทรัพย์ญาติละบุตรแต่ไม่ประกอบด้วยกำลังคือศีลพวกญาตกิกระพึงไม่ให้อยู่ในตระกูลภิกษุทั้งหลายแต่มาตุกขามประกอบด้วยกำลังรูปทรัพย์ญาติบุตรและศีลพวกญาติย่อมให้มาตุกขานั้นอยู่ในตระกูล คือไม่ให้พินาฏไปภิกษุตรทั้งหลายส่วนมาตุคามประกอบด้วยกำลังคือศีลแต่ไม่ประกอบด้วยกำลังคือรูปพวกญาติยอมให้มาตุคามนั้นอยู่ในตรากูลและโดยในยะเดียวกันมาตุคามประกอบด้วยกำลังคือศีลแต่ไม่ประกอบด้วยกำลังทรัพย์ก็ดีไม่ประกอบด้วยกำลังคือญาติก็ดี ไม่ประกอบด้วยกำลังคือบุตรก็ดีพวกญาติยอมให้มาตุกคามนั้นอยู่ในตระกูลคือไม่ให้พี่นาฏไปภิสุจน์ทั้งหลายกำลังของมาตุคามห้าประการ น, นี้แลข้อนี้คือกำลังทั้งห้านั้นมีศีลเป็นหลักจะอยู่ในตระกูลได้ขึ้นอยู่กับว่ามีศีลหรือไม่มีศีลเป็นหลัก ว่าด้วยเหตุที่ทําให้มาตุกคามไปเกิดในสุคติมาตุกคามหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์เพราะกําลังคือรูปคือทรัพย์คือญาติหรือบุตรเป็นเหตุก็หาไม่ได้แต่มาตุกคามหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ได้ก็เพราะกําลังคือศีลเป็นเหตุ ว่าด้วยฐานะที่มาตุคามได้ยากและได้ง่ายภิกษุทั้งหลายฐานะห้าประการนี้ที่มาตุคามผู้ไม่ได้ทําบุญไว้ได้โดยยากฐานะห้าประการนั้นคือขอเราพึงเกิดในตระกูลที่เหมาะสมครั้นเกิดในตระกูลที่เหมาะสมแล้วขอเราพึงไปสู่ตระกูลที่เหมาะสม ครันเกิดในตระกูลที่เหมาะสมไปสู่ตระกูลที่เหมาะสมแล้วขอเราพึงอยู่กรองเรือนไม่มีหญิงร่วมสามีครันเกิดในตระกูลที่เหมาะสมไปสู่ตระกูลที่เหมาะสมแล้วอยู่กรองเรือนไม่มีหญิงร่วมสามีขอเราพึงมีบุตรครันเกิดในตระกูลที่เหมาะสมไปสู่ตระกูลที่เหมาะสมแล้วอยู่กรองเรือนไม่มีหญิงร่วมสามี มีบุตรแล้วขอเราพึงกรองใจสามีนี้เป็นฐานะทั้งห้าที่มาตุกคามผู้ไม่ได้ทําบุญไว้ได้โดยยากภิกษุทั้งหลายส่วนฐานะห้าประการนี้มาตุกคามผู้ได้ทําบุญไว้ได้โดยง่ายประการที่หนึ่งคือขอเราพึงเกิดในตระกูลที่เหมาะสมประการที่สอง ขอเราพึงไปสู่ตระกูลที่เหมาะสมประการที่สามขอเราพึงอยู่กรองเรือนไม่มีหญิงร่วมสามีประการที่สี่ขอเราพึงมีบุตรและประการที่ห้าขอเราพึงครองใจสามีพิกษุทั้งหลายฐานะห้าประการนี้แหลที่มาตุกคามผู้ได้ทาบุญไว้ได้โดยง่าย ว่าด้วยอริยาสาวิกาผู้เจริญด้วยวัตถิธรรมภิกษุทั้งหลายอาริยาสาวิกาเมื่อเจริญด้วยวัติธรรมคือหลักความเจริญห้าประการย่อมเจริญด้วยวัติธรรมอันประเสริฐเป็นผู้ถือเอาสิ่งที่เป็นสาระและถือเอาสิ่งที่ประเสริฐแห่งกายไว้ได้วัติธรรมห้าประการคือเจริญด้วยศรัทธา จเจริญด้วยศีลจเจริญด้วยสุตตะคือการฟังจเจริญด้วยจาคะคือความเสีิสล ะ, จะเจริญด้วยปัญญาสำหรับสุตตะการฟังข้อนี้หมายถึงการศึกษาเล่าเรียนทั้งหมดนะครับเพราะสมัยก่อนไม่มีการจดบันทึกจึงใช้การท่องจําเป็นหลักถ้าเทียบเคียงในสมัยปัจจุบันการฟังจเจริญด้วยสุตตะนั้นแม้การอ่าน การศึกษาด้วยวิธีต่างๆก็รวมในข้อเจริญด้วยสุตตะเช่นเดียวกันภิสุททั้งหลายอริยส า, าวิกาเมื่อเจริญอยู่ด้วยวัติธรรมหประการนี้คือเจริญด้วยศรัทธาศีลสุตตะจาระและปัญญาชื่อว่าเจริญด้วยวัติธรรมอันประเสรศิฐเป็นผู้ถือเอาสิ่งที่เป็นสาระและถือเอาสิ่งที่ประเสริฐแห่งกายไว้ได้ อุบาสิกาใดเจริญด้วยศรัทธาศีลสุตตะจาระคะและปัญญาอุบาสิกาผู้มีศีลเช่นนั้นย่อมถือเอาสิ่งที่เป็นสาระทั้งสองของตนในโลกนี้ไว้ได้